ตั้มว่นไงส่งกันบ้านตั้มยังแท็กแต่งติดอยู่ครับแล้วก็เวลาขึ้นไปอย่างนี้กางหน้าเออดีที่รู้ตั้มใจเราจะไม่เลิกความปรุงแต่งนะจะปรุงไม่เลิกหรอทำไงก็ไม่เลิกจนถึงนาทีสุดท้ายเลยเข้าใจแล้วครับว่าทำยังไงก็หยุดการปรุงแต่งให้ได้ถึงใจไม่ได้เพราะงั้นปล่อยให้เขาปรุงแต่งแล้วตามรู้เข้าไป แค่รู้เลขกนของเขาอย่าไปอย่าไปหลงปลุกตัวเองไปยังคไม่ได้ที่จะน้อมเข้าไปแบบวุ่นวายอาการหลงที่หนุ่อยู่ชอบเข้าไปแบบองแท็อกแทธรรมดาจิตยังไม่ถึงสังขารรเบกขามเิ่มอัประเด็นได้ถ้าจิตเข้าไปถึงสังขารเบิกขาจะเป็นกลางกับสังขารแลไม่เข้าไปแทรกแสงเมื่อเข้าไปไม่ไม่เข้าไปแทรกแสงก็หยุดมันจะหยุดความปรุงแต่ง เมื่อจิตหยุดความปรุงแต่งเนี่ยมรรคผลเนี่ยก็จะเกิดเมือเรเฝ้ารู้ความปรุงแต่งไปมันอดแทรกแสงไม่ได้ยิ่งแทรกแสงยิ่งปรุงแต่งนี่พวกเราบางคนพอเราเฝ้ารู้สภาวะนะเราเห็นสภาวะเกิดดับเกิดดับมันลงเข้าไปแทรกแสงไอ้นี้ยังแทรกแสงระดับบนนะระดับสูงหน่อยพวกหนึ่งแทรกแสงตั้งแต่เริ่มคือดิ้นรนหาวิธีปฏิบัติ ทำยังไงจะปฏิบัติถูกนะหาทางทำเนี่ยยิ่งหาทางทำนั่นแหละก็กาลังปรุงแต่งอยูนะ่เช่นพยายามไปดูสุญญตาอะไรนะนะปรุงแต่งขึ้นมาหรือคิดว่าการดูจิตจะเอาจิตไปตั้งที่ไหนดีนะนะการรู้กายบอกว่าให้รู้สึกตัวทํายังไงจะรู้สึกตัวนะนะนะนีนปรุงแต่งตั้งแต่เบสิกเลยตั้งแต่พื้นฐานเลย ไม่ใช่ถูกต้องแล้วไม่มีสภาวะธรรมอะไรที่เกิดขึ้นลอยๆอยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงต้องมีเหตุถึงจะเกิดนี่หน้าที่ของเราทำเหตุทำไงจะเกิดความรู้สึกเกิดสติขึ้นมาได้เหตุของสติคือการที่จิตจำสภาวะธรรมได้แม่นยำเมื่อจิตมันรู้จักสภาวะเราคอยทำความรู้จักสภาวะไปเรื่อยๆคอยเรียนรู้เพิ่มขึ้นมาละอย่างสองอย่าง เช่นสงสัยความสงสัยเกิดขึ้นรู้ทันมันโอ้ความสงสัยเป็นอย่างนี้เองใจลอยเป็นอย่างนี้โลภโกรธหลงเป็นอย่างนี้นะกังวลใจเป็นอย่างนี้งงไหมคนที่ใส่แว่นตาเนี่ยสงสัยเกิดขึ้นรู้ลงไปอย่างเงี้ยนะรู้หัดรู้สภาวะไปต่อไปพอจิตมันจําได้ว่าความสงสัยเป็นยังไงนะพอความสงสัยเกิดเนี่ยสติจะเกิดเอง มันจะรู้ขึ้นมามันจะรู้ทันสติเป็นตัวรู้ทันนะปัญญาเป็นตัวรู้จริงรู้แจ้งนะหนีไปคิดอีกแล้วรู้ไหมให้หัดรู้ทันตัวเองไปเลยตามรู้ไปะจิตใจสงสัยขึ้นมาก็รู้จิตใจหนีไปคิดก็รู้จิตใจเป็นยังไงค่อยรู้ไปเรื่อยๆไม่ยากอะไรหรอกค่อยรู้ไปเรื่อยเจอกระทั่งจิตมันจำสภาวะได้เยอะเลยอะไรกแปลกปลอมขึ้นในจิตในใจนิดนึงมันก็เห็นนะสติจะเร็วคร่านี้ ตอนตั้งวัดใหม่ๆมีพวกเราคนหนึ่งนะมันมาอวดเก่งกว่าพระพุทธเจ้าให้หลวงพ่อฟังเขาบอกว่าถ้าผมใช้อารมณ์นอกสติปัฏฐานมาเจริญสติได้ไหมถามว่าใช้อะไรอะ่ะถ้าฟ้าร้องผมจะรู้สึกตัวบ ป, ปีหนึ่งมันจะร้องขี่ครั้ง <c oughs> นี่มันอวดเก่งนะอารมณ์ในสติปัฏฐานเป็นอารมณ์ที่เกิดตลอดเวลาแลนะนะเป็นอารมณ์ที่ติดตัวเราอยู่แล้วไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์อะไรเลยนะ เรามีเครื่องมืออยู่และมีกายมีใจเป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้ติดตัวอยู่ตลอดเวลาอาศัยการรู้กายรู้ใจจนจำสภาวะของกายของใจได้นี่แหละทำให้สติเกิดเนืองเนืองเช่นใจเราลอยไปเรารู้ว่าใจลอยใจเราสงสัยรู้ว่าสงสัยใจเราลโลภโกรธหลงรูร้ว่าโลภโกรธหลกรู้ไปทีละอย่างทีละอย่างนะทันทีที่เรารู้สภาวะถูกต้องเนี่ยเราจะเกิดความตื่นขึ้นม จิตใจจะตื่นรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดเราจะหลุดออกจากโลกของความปรุงแต่งคนในโลกเนี้หลงอยู่ในความคิดทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับตั้งแต่เกิดจนตายตไม่มีวันจะหลุดออกจากโลกของความคิดได้เลยเพราะไม่รู้ตัวว่ากํ AL าลังคิดอยู่ไม่รู้ตัวว่ากําลังคิดอยู่อย่างคุณที่มีนวดหน่อยๆเนี้ยรู้สึกตัวไหมกํลาลังคิดอยู่เรามื่แต่รู้เรื่องที่เราคิด เราไม่รู้ว่าจิตกําลังคิดอยู่เมื่อเรารู้แต่เรื่องที่เราคิดนะั้นเราก็หลงกับสิ่งที่เป็นสมมติบัญญัติตลอดเวลาแต่ถ้าเรารู้ทันมาจิตคิดรู้ทันอาการของจิตนนี่เป็นอารมณ์ปรมัจารย์นะเราจะตื่นที่ในฉับพลันเลยทันทีที่เราตื่นที่มาเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวเราจะสามารถเห็นกายเห็นใจนี้ไม่ใช่ตัวเราได้เพราะแท้จริงความเป็นตัวเราก็คือความคิดล้วนๆ น, นั่นเอง ความเป็นตัวเราจริงๆไม่มีแต่เราคิดว่าเป็นตัวเราคําว่าสักกายทิฏฐิชื่อมันบอกแล้วว่าเป็นทิฏฐิเป็นความคิดเป็นความเห็นจริงๆกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่พอเราไปหลงอยู่ในความคิดเนี่ยเราก็เลยเห็นว่ากายกับใจเป็นตัวเราถ้าเรารู้ทันว่าจิตคิดเราจะตื่นขึ้นในฉับพลันนะเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดกายนี้จะไม่ใช่เราในฉับพลันนั้นเลยคนไหนที่ เรียนกับหรวงพ่อมาพักหนึ่งแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาคุณรู้สึกไหมกายไม่ใช่เราคุณผู้ชายเนี่ยกายไม่ใช่เราไม่ใช่เราทันทีเลยนะไม่ต้องไปคิดเลยว่าใช่เราหรือไม่ใช่เรามันจะเห็นทนโทษเลยว่าไม่ใช่เราเป็นของที่จิตไปรู้ไปดูเข้าเท่านั้นเองส่วนจิตเนี่ยดูยากว่าไม่ใช่เราเพราะมันละเอียดต้องหัดรู้หัดดูเนืองนือ ง, องวันหนึ่งก็จะเห็นเลยจิตนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่เที่ยง จิต น, นี้ไม่ใช่ตัวเราบังคับเขาไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้สกยตทิฐิก็จะขาดความเห็นผิดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวเราก็จะหมดไปนะพอหมดครบทุกอย่างแล้วก็นะมันจะเป็นพระโสดาบันก็ละความเห็นผิดได้พระโสดาบันไม่ได้ละอะไรเยอะนะละความเห็นผิดเท่านั้นแหละว่าไง จิตมันทำเองเบื้องต้นนะค อ, คอยตามรู้ตามสังเกตไปแล้วสติปัฏฐานเนะี่ยมีสองส่วนส่วนหนึ่งทำไปเพื่อให้เกิดสติส่วนหนึ่งทำไปเพื่อให้เกิดปัญญาเบื้องต้นทำให้เกิดสติคอยตามรู้สภาวะเรียนรู้สภาวะไปเรื่อยๆใจมันโลภขึ้นมารอ้อความโลภ ม, มันเกิดอย่างครูบาอาจารย์บางท่านจะเติมหนอลงไป ความโลภเกิดขึ้นมาออโลภหนอเนี่ยเป็นการเตือนตัวเองให้รู้ว่าความโลภเกิดขึ้นมานี่อุบายนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนหนอแต่เป็นอุบายที่อาจารย์สร้างขึ้นมาช่วยเราือบางท่านขยับมือชายลบพระเทียนขยับขยับไปเรื่อยๆนี่ก็อุบายอันหนึง่งถ้าขยับไปแล้วเห็นว่าไอ้สิ่งที่กําลังเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรานะเป็นรูปประทับอันหนึง่งเราจะจําสภาวะของรูปที่เคลื่อนไหวได้ จะรู้ไม่รู้สึกว่าเราเคลื่อนไหวจรู้สึกเห็นรูปมันเคลื่อนไหวไม่จำสภาวะได้หรือนามธรรมานี่ดูง่ายพวกเราชอบคิดเอาเองว่านามธรรมาดูยากรูปธรรมดูง่ายสิ่งที่ดูง่ายคือร่างกายคืออวัยวะดูง่ายร่างกายและอวัยวะไม่ใช่รูปหรอกนะคำว่ามือว่าเท้าว่าท้องว่าลมหายใจยังไม่ใช่รูปนะรูปตัวจริงของมันคือตัววัตถุธาตุตัวธาตุ ธาตุดินน้ำไฟลมดูยากจะตายไปในลมหายใจของเราเนี่ยลองหายใจใส่หลังมือรู้สึกถึงการกระทบไหการกระทบที่ที่ผิวหนังเราเราหายใจลงไปลมหายใจกระทบที่ผิวหนังนี่นั่นแหละธาตุดินงงไหมคนที่มีแว่นตาไม่ลมหายใจเป็นธาตุดินรู้สึกไหมหายใจแล้วมีความร้อนความร้อนนั่นแหละธาตุไฟ รู้สึกไหมว่าลมหายใจมันเคลื่อนไหวไปอันนั้นแหละธาตุลมรู้สึกไหมลมหายใจเนี่ยกระจัดกระจายมีธาตุน้ําเล็กน้อยธาตุน้ําเป็นตัวดึงให้เกาะเกี่ยวกันดนการจะรู้ธาตุเนี่ยนะแสนจะยากนยากมากเพรนั้นรู้รูปจริงๆ ร, งรู้ยากนะเห็นอะไรเห็นมือต้องคิดให้ดีต้องพิจารณาให้ดีนะสิ่งที่ตาเรามองเห็นไม่ใช่มือหรอก คนจีนไม่เรียกว่ามือคนจีนเรียกชิ่วฝรั่งเรียกแขนมือเนี่ยคือบัญญัติคือสมมุติคือสิ่งที่เราคิดขึ้นเองสิ่งที่ตาเรามองเห็นนะคือรูปต่างๆรูปร่างอย่างนี้รูปภาพอันเนี้ยรูปภาพอันนี้จริงๆคืออะไรคือสีที่เรามองเห็นนะั่นเองสีที่สะท้อนมาเข้าตาเท่า น, นั้นเองงนั้นกว่าจะมองทะลุอวัยวะมองทะลุร่างกายไปเห็นตัวรูปจริงๆนะไม่ใช่ง่ายเรามักจะคิดว่ารูปดูง่าย เพราะว่าหยาบไอ้ที่หยาบในร่างกายสถานกาหยาบยาบหรืออย่างรู้รูปยืนเดินนั่งนอนรู้ไม่ง่ายนะแต่ว่ารู้ง่ายกว่าธาตุรู้อิริยาบทสี่รู้รูปยืนเดินนั่งนอนก็ยังรู้ง่ายกว่าธาตุถ้าเมื่อไหร่รู้สึกว่าไอ้ตัวที่นั่งอยู่ไม่ใช่เราหรอกเป็นแค่วัตถุ ก, ก้อนธาตุหรือเหมือนฝุนจนตัวหนึ่งนั่งอยู่อันนี้เรียกว่ารู้รูปหละ แต่ถ้ารู้สึกว่าเรากําลังนั่งอยู่เรากําลังหันซ้ายหันขวานี่ไม่เรียกว่ารู้รูปการรู้รูปจริงๆลําบากนะแต่การรู้นม า, ามธรรมง่ายๆวันนี้ไม่มีเด็กนะเมื่อวานมีเด็กพ่อก็ถามเด็กเก้าขวบสมพงษ์เห็นใช่ไหมถามว่ารู้จักกลัวไหมรู้จักนะรักแม่ในแต่ละวันไม่เท่ากันนะรู้สึกไหมรู้สึกนะเวลาอยากดูการ์ตูนรู้สึกไหมรู้สึก อยากกินขนมรู้สึกไหมรู้สึกรู้ไหมว่าอยากเป็นยังไงรู้สึกรู้อิจฉาเป็นยังไงก็รู้สึกรู้จักแระทั่งเด็กเล็กๆมันยังรู้จักนามาทำพวกนี้เลยพวกเราก็รู้จักทั้งหมดเลยคุณเสื้อดำข้างหลังอ่ะผู้หญิงอ่ะคนสุดท้ายรู้จักโกรธไหมเคยโกรธไหมเคยโกรธเหรอแล้วคนที่เคยเกลียดไหมเสื้อขาว อนนี้เคยกลัวบ้างไหมใครเคยอิดชาบ้างยกมือให้ดูเห็นไหมรู้จักทุกคนเลยเห็นไหมกังวลใครเคยกังวลผมข้าวยกมือนะเพื่อเอ็กซ์ไซส์มันหนาวเห็น <c oughs> <c oughs> ไเรารู้จักทั้งหมดเลยหน้าที่ของพวกติบัตนง่ายนิดเดียวตอนนี้ความรู้สึกอะไรกำลังปรากฏอยู่ในใจเราใครรู้ไปพวกเรารู้ได้นะแต่ละเลยที่จะรู้ หลวงพ่อยกตัวอย่างให้สมมุติไม้เนี่ยไม้เนี่ยมีนิสัยเจ้าชู้นะเจอผู้หญิงไม่ได้เลยวิ่งใสนะ่ใช่ไหมหลวงพ่อใส่ร้ายรึเปล่าใช่ใช่พอไม้เห็นสมมุติเห็นนางงามจั ก, กรวาลเดินมาไม้ไปดูนางงามจั ก, กรวาล น, นะไม้รู้ว่านางงามจั ก, กรวาลมาชื่ออะไรก็รู้เชฟเท่าไหร่รู้หมดนะสิ่งที่ไม้ไม่เห็นก็คือ ใจของตัวเองกำลังเกิดราคะอยู่เนี่ยคนปฏิบัติกับไม่ปฏิบัติต่างกันนิดเดียดเองนะเห็นนางงามสวยๆใจมีราคานะคนที่ไม่ฝึกเขาก็มีราคะคนที่ฝึกก็มีราคานะแต่คนที่ไม่ฝึกเนี่ยเมื่อราคะเกิดเราไม่เห็นนะคนที่ฝึกเนี่ยพอราคะเกิดขึ้นในใจมองเห็นหมาบ้าวิ่งมาเรากลัวพอเห็นแล้วก็กลัวมันกัดเอาแล้วใครๆก็กลัวท่งนั้นแหละ ไม่มีใครเห็นหรอกนะหมาบ้าวิ่งมาแล้วรู้สึกสดชื่นพอหมาบ้าวิ่งมากลัวคนทั่วๆไปก็จะรู้ว่าหมาบ้ามานะักปฏิบัติจะเห็นว่าใจมันกลัวใจมันกลัวแล้วไม่ใช่อุเบกขานะวิ่งให้ทันนะไม่ใช่ปฏิบัติทำแล้วโง่ไปให้หมากัดดังนะนั้นเห็นหมาบ้ามาต้องรู้จักหลบหลีนกะไม่ใช่อุเบกขาแบบวายนะหลวงพ่อช้าท่านว่าวางเฉยแบบวายลูกศิษย์ท่าน ไปอยู่จําพรรษาแยกต่หากกับท่านก็ออกพรรษาแล้วมารายงานว่าตลอดพรรษาผมอยู่ด้วยอุเบกขา <c oughs> ถามอุเบกขายัางไงบอกหลังคามันรั่วนะผมตากฝนอยู่ทั้งพรรษาเลย <c oughs> ท่านท่านยิ้มหวานเลยเป็นอุเบกขาแบบวายเนี่ย <c oughs> ไม่มีสติไม่มีปัญญางั้นอย่างเราเห็นหมาบ้ามาใจเรากลัวรู้ว่าใจเรากลัวแล้วก็หลบหลีกมีเหตุผลมีเหตุผลไปเดินชอปปิ้ง ไปเห็นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่มสวยมันทำอย่างง้นอย่างนี้ได้ถ่ายรูปได้ใจมันอยากได้คนทั่วๆไปพออยากได้ก็จะดูแต่้ของที่อยากได้ดูแต่โทรศัพทนะ์นั่นนะนักปฏิบัติรู้ว่าใจมันอยากได้ก็จะเห็นเลยความอยากได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปประดับไปแล้วคราวนี้เหลือเหตุผลอีกละะเหตุผลว่าสมควรซื้อก็ซื้ อ, อไม่สมควรก็ไม่ซื้อคล้ายๆเห็นมาบ้าใจมันกลัวรู้ว่ากลัวนะครับใจเป็นกลางเนี่ยเหลือเหตุผลแล้ว ว่าจะอยู่ให้มันกันหรือจะหนีเฉะนั้นดำรงชีวิตอย่างมีเหตุผลไม่ใช่อย่างที่อยากนักปฏิบัติกับคนไม่ปฏิบัติต่างกันนิดเดียวเท่านี้เองอย่งได้กลิ่นดอกไม้หอมคนทั่วๆ่วไปรู้ว่าดอกไม้หอมรู้ว่าดอกบัหลาบดอกมะลิดอกจำปีอะไรหอมดอกแก้วหอมนักปฏิบัติรู้ลึกไปอีกชั้นหนึ่งใจมันชอบได้กลิ่นดอกไม้หอมใจมันชอบรู้ว่าชอบ ออกไปได้กลิ่นดอกไม้หอมๆแต่ไม่รู้ว่าดอกอะไรใจมันสงสัยว่าดอกอะไรนะรู้ว่าสงสัยเนี่รู้ทันใจตัวเองรู้เข้ามาอีกชั้นหนึ่งนั่นการปฏิบัติไม่ได้มีอะไรยุ่งยากหรอกนะคนปฏิบัติกับไม่ปฏิบัติก็กต่างกันนิดเดียวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะต่างกันเยอะคนที่ไม่ปฏิบัติมวัวแต่รู้ของภายนอกก็ไปวุ่นวายอยู่กับของภายนอกผู้ปฏิบัติจะรู้เข้ามาถึงจิตถึงใจตัวเองเห็นเลยว่ามันปลูงแต่ง เดี๋ยวมันโลภเดี๋ยวมันโกรธเดี๋ยวมันหลงเดี๋ยวมันสุขเดี๋ยวมันทุกขนะ์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายรู้ไปเรื่อยในสื่ก็เห็นเลยจิตใจของเราเองนี่เป็นของไม่เที่ยงนะเป็นของบังคับไม่ได้นะจะหาอะไรที่เป็นตัวเราจริงๆหาไม่ได้เลยพอมันไม่มีคําว่าตัวเราขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่รู้สึกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวเราแล้วมันเข้าใจแล้ยนะกายนี้ใจนี้จริงๆกายก็เป็นแค่วัตถุเป็นส่วนหนึ่งเป็นเศษทุรีของจักรวาล ไอสตล์บอกมนุษย์เป็นเศษธุลีของจักรวาลร่างกายของเราเป็นแค่เศษชิ้ผงของจักรวาลไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงอาศัยวัตถุธาตุนี้เกิดขึ้นมาอาศัยวัตถุธาตุหล่อเลี้ยงเอาไว้เสร็จแล้วก็ตายไปคืนวัตถุธาตุนี้ให้กับโลกไปจิตใจก็เกิดดับเกิดดับเกิดกดับอยู่ทีลักษณะทีลักษณะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปไม่เห็นอะไรที่เป็นแกนสารว่าเป็นตัวเราที่เที่ยงแท้ถาวร ความอยากข้างหลายมันจะค่อยๆสลายตัวไปอย่างเราอยากสวยเนี่ยเพราะมันมีเราเห็นไหมอยากสวยอยากฉลาดเนี่ยอยากโน้นอยากนี้อยากมีเมียก็เพราะมีเราใช่ไหมหัวเราะเพื่อนเนี่ยดูๆนี่มาด้วยกันไม่หวังดีจักดีขึ้นแล้วรู้สึกไหม่ไหมดีนะช่วงนี้ไปทําอะไรกันมาดีทั้งทีมไม่ได้ทําอะไร ถูกต้องเลยคือไม่ทํำสิเละมาสิหน้าที่เราไม่ต้องทําอะไรหน้าที่เรารู้กายอย่างที่มันเป็นรู้ใจอย่างที่มันเป็นไม่ใช่ดัดแปลงกายดัดแปลงใจนี่กันคำเตือนว่าไม่ควรมีสิกนกันครับนั่นแหละดี <c oughs> พวกไม่มีศีลเ <c oughs> นี่ยไปลองดีหลวงตาผนึกมา <c oughs> ไปถามหลวงตาผนึกว่าพวกผมต้องทําอะไรนะเล่าสิ เราแสดงชั่วเยอะกระทบใจท่านหลวงตาสนึกนนี้เล่นด้วยไม่ได้นะท่านตรงไปตรงมาไม่มีอ้อมค้อม ท่านวัยน่ารักมากพลวงตาเป็นนึกมีคนหนึ่งนะไปถามพาลูกสาวไปหาท่านหลวงตาช่วยสอนเด็กคนนี้หน่อยลูกสาวเนี่ยเพิ่งเอ็นซานติดหมอหลวงตามองหน้าราดัดอย่านึกว่าตัวเก่งอย่านึกว่าตัวฉลาดอย่านึกว่าตัวสวยไม่ได้เรื่องหรอกคนที่เขาเก่งกว่านี้ยังมีอีกเยอะแยะเวลา ไปคุยกับท่านดีนะโอ้หมันถูกเฉาะแสกหน้านะทะเลาะทะลลาไปแล้วเจอเลยสนุกมากคนไม่ค่อยรู้จักท่านนะท่านเลยอายุยืนเดีย๋ยหลงพ่อพูดถึงท่านเรื่อยเดี๋ยวท่านอายุสั้น <c oughs> ตูเคยเจ อ, อยัง <c oughs> เดี๋ยวให้พวกทุสีนี่พาไป <c oughs> <c oughs> หรือไม่กล้าไปด้วยพวกทุศี <c oughs> นี่ทีมทุสนะีทีมทุสีโยมข้างหลังมาจากไหนกันใครเคยมาไหมเคยฝึกมาแบบไหนล่ะเห็นกิเลสไหมเห็นกิเลส ด, ดีนะหลายคนเลยที่ฝึกกรรมาฐานแล้วบอกว่ากิเลสน้อยไม่เห็นมีกิเลสเลยไม่เคยโกรธเลยพวกนี้อาการหนักทั้งนั้นอะนะเพราะว่าอะไรเพราะไปเก็บกดมัน ถ้าไม่เก็บกฎมันจะเห็นรือกิเลสเกิดตลอดเวลาเลยเดี๋ยวก็เผลอเผลอนี่ก็โมหะนะเดี๋ยวใจลอยไปเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านแต่นี่โมหะทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเรานึกว่าโกรธนี่ต้องแรงๆถึงจะโกรธนะต้องโมโหเขาจะฆ่าเขาเรียกว่าโกรธควจริงไม่ใช่หรอกแค่ใจมันขัดใจนิดๆก็เรียกว่าโกรธลนะตอนหลวงพ่อหัดตอนนั้นยังไม่ได้บวชมนะีวันหนึ่งนั่งอยู่ในห้องของเราสบายๆ มีธุระจะเดินออกไปนอกห้องนะเปิดประตูห้องออกไปปุ๊บแสงแดดกระทบเปลือกตานี่นะโทสะเกิดแล้วรู้สึกลำคานค่อยๆหัดรู้หัดดูไยนะกิเลสนี่เยอะมากเลยเนะื้อถ้าเราปฏิบัติแล้วเราบอกเราไม่มีกิเลสเลยเนะี่ยอาการหนักแต่มีบางคนมาต่อว่าหลวงพ่อนะว่าฝึกแนวหลวงพ่อแล้วทําไมกิเลสมากกว่าเก่าเนะี่ยบอกว่าเราได้ลงคอ แล้วจริงๆกิเลสตัวเองเยอะแต่มองไม่เห็นพอเห็นแล้ ว, วบวยบายบอกว่าฝึกแล้วกิเลสเยอะเหมือนคนอะ่ะเป็นโรคมะเร็งไม่รู้ไปหาหมอแล้วหมอบอกเป็นมะเร็งนะไปโทษหมอว่าทำให้เป็นมะเร็งะอะไรย่างเงี้ยพูดไม่ได้เนี่ยใจลอยแล้วรู้ไหมหนีไปคิดแล้วรู้ไหม เออมันก็หายไปเออเหมาวบาเอนมันก็หายไปแต่พอหายเดี๋ยวนี้ก็ค hmm ิดขึ้นมามันก็จะมีอย่างอ่เข้าอีกแล้วมันก็หายเออน่งั้นแหละดีมันแสดงเกิดดับให้ดู เราฝึกเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างมันเกิดดับไม่ต้องไปอกไม่ต้องไปพิจารณาไม่ต้องไม่ต้องใส่ไปดูลงปัจจุบันไปเรื่อยลยแบางทีมันก็ไม่รู้ว่าถูกหรอตอบิไม่ได้มาว่าลมนี่นะันบางทีมันก็เห็นการยของร่างกายเออถูกต้องแล้วนะตรงนั้นไม่ถูกละตรงที่รู้เห็นร่างกายมันขยับเห็นมันสะเทือนเห็นมันสั่นเห็นมันไหวอะไรเนี่ยถูกต้องแล้วแต่ตรงที่สงสัยว่าเอ๊ะนี่รู้ถูกหรือไม่รู้ถูกนะ ตรงนี้ไม่ถูกอ่ะเพราะว่ากำลังสงสัยแล้วไม่รู้ว่าสงสัยเออเออนั่นแหละเขารู้ลงปัจจุบันไปสงสัยเกิดแล้วรู้ไปจะเห็นเลยร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจิตใ จ, จก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพระโสดาบันรู้แค่นั้นเองมันเห็นของมัน บางคนก็เห็นเป็นธาตุบางคนไม่เห็นนะบางคนเห็นเป็นแค่กลุ่มก้อนของสิ่งบางสิ่งนแล้วก็ที่ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเห็นแค่นี้ก็ได้แต่ละคนเห็นไม่เท่ากันหรอกความแตกฉานความรอบรู้ไม่เท่ากันแต่ละกิเลสได้เหมือนๆกันอย่างพระอรหันต์ทั่วๆไปกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเสมอกันในด้านความบริสุทธิ์แต่ว่าความรู้ความเข้าใจไม่เสมอกัน นั่และดีและไปไปดูไปนะทุกอย่างจริงๆริงว่างเปล่าไม่บ้าไม่บ้าคนบ้าทาไม่ได้นะคนบ้าเนะ่ะเห็นคนเป็นคนเห็นตึกเป็นตึก <c oughs> <c oughs> คนบ้าคืออะไรคือคนวิปลาสคนวิปลาสเนี่ยมีสี่ลักษณะเห็นของไม่สวยว่าสวย เห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นของเป็นทุกข์ว่าสุขเห็นของไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนคนบ้าเห็นคนเป็นคนที่บ้านะเพราะมันไม่มีคนแต่ว่าเราก็อนุโลมไปก่อนงงไหมพวกเราแต่ละคนนะปุถุชนทั้งหลายเนี่ยมีวิปลาสวิปลายภาษาไทยก็ฟังคล้ายๆบ้านะจริงก็คือความรู้ผิดเห็นผิดคิดผิดนั่นแหละอย่าเราเห็นคนเป็นคน พวกเซนก็เคยสอนกันนะบอกว่าคนไม่ปฏิบัติเนี่ยเห็นคนเป็นคนเห็นต้นไม้เป็นต้นไม้เห็นภูเขาเป็นภูเขานักปฏิบัติก็จะเห็นคนไม่ใช่คนเห็นต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม้ภูเขาไม่ใช่ภูเขาแต่พอทําไปถึงสุดขีดแล้วนะก็เห็นคนเป็นคนเห็นต้นไม้เป็นต้นไม้เห็นภูเขาเป็นภูเขาแต่รู้ว่ามันเป็นโดยสมมุติจริงๆไม่ได้เป็นงั้นดูอย่างนั้นก็ดีแล้วนะแต่ว่าเจตนาให้เกิดไม่ได้ เจ ต, ตนาไม่เกิ ด, มม น, กกดกนั่นไม่มีทา ง, ทางเพราะว่าทันทีที่อยากเนี่ยกิเลสเกิดเมื่อกิเลสเกิดสติไม่เกิดหรอกจะดูไปเรื่อยๆ ด, ด, ด, ดีแล้วแต่เนื้อคิเป็นบ่อยหน่อยก็แล้วกันอย่าหลงนานนะหลงบ่อยดีอย่าหลงนานหลงวันนึงให้ได้ร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งยิ่งดีอย่าหลงวันละครั้ง ถูกต้องแล้วถ้ารู้ตัวก่อนกิเลสเกิดใช้ไม่ได้หรอกแบบดดได้ได้เออได้ไดเท่าที่ทําได้แต่ไม่ใช่เมื่อวานกโกรธวันนี้รู้นะไม่ได้เรื่องเหมือนอย่างเนี้ยอย่างงั้นใครๆเขาก็รู้นี่อยู่พานโดราม่าเลยทีมพานโดราม่มาเลยส ม, มากันกี่คนทีมเนี่ยสคนไอ้นี่เคยมาเนี่ยส่งเันบ้าน อ่าว่าไงเป็นไ ง, งนสนแสดงว่าก่อนๆเนี่ยไม่ฟุง้งโ อ, อ้ก็ถูกต้องแล้วล่ะเราไม่ได้ฝึกเอาดีเราฝึกให้เห็นความจริงว่ามันของเปลี่ยนแปลงไม่ได้ฝึกเอาดีหรอกฟุ้งสั้นมากฟุ้งสา้นน้อยสงบของไม่เที่ยงเสมอกัน ฝึกไปเรื่อยใจมันถึงถึงนะจะเห็นเลยสุขกับทุกข์เสมอกันดีกับชั่วเสมอกันแต่ชั่วไม่ได้นะหลวงพ่อพูดอย่างนี้ไม่ใช่ให้ไปทำทุกข์ศีลนะพูดกับพวกนี้ต้องระมัดระวังดูดีขึ้นทั้งทีมเลี่ยนะทีมทุกข์ศีลเนี่ยตัม้มก็อยู่กับทีมเขาได้หรอเหมือนเข้าเลยคดีนะใครสงสัยอะไร นนก็เห็นถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้ ว, ถ, ลวถ้าลำคาญก็รู้ว่าลำคาญแล้วก็จะเห็นเลยไอย้รูปนี้มันนอนอยู่นะเราไม่ได้นอนหรอกรูปมันนอนโมโหรู้ว่าโมโหทำใจอย่างนี้แล้วจะหลับง่าย โวันนี้มีบุญวาสนาจะได้ดูได้ปฏิบัติธรรมโต้รุ่ ง, งทำใจอย่างนี้นะแป๊บเดียวก็หลับเ <c oughs> คล็ดลับของการนอนหลับต้องสบายใจถ้าไม่สบายใจไม่หลับไม่ดีอย่ไหมฮะดีเพราะอากาศเย็ น, านาแล้วตาย หน้าหนาวถึงจะดีทีหนึ่ง <c oughs> ถ้าหน้าร้อนไม่ดีดตายแล้วปีหนึ่งให้ชมหน้าหนาวทีหนึ่งนี่แย่แล้ว <c oughs> โบเป็นไง <c oughs> จิตตอนนี้เป็นไงรู้สึกตัวไหม <c oughs> รู้สึกถูกต้องอย่างจิตออกนอกรู้สึกไหม จิตไม่ตั้งมั่นดูออกหรือเปล่าเนี่ยตอนเนี้ยขณะเนี้ยดูลงปัจจุบันไปเนี่ยใจมันสับสนขึ้นมาแล้วรู้ไหมรู้ลงไปเรื่อยๆไม่ใช่อะไรเมื่อกี้ตอนคุยกับหลวงพ่อนะ่ะใจมันมปอยู่ที่หลวงพ่อเป็นหลงไหพื้นฐานนะ่ะดีอยู่แล้วนะทำถูกต้องอยู่แล้ว รู้เรื่อยใจหลงไปอีกแล้วทราบไหมแค่นี้แหละอย่าหลงนานนะใจไหลไปแวบบรู้ไวๆทีมนี้เล่นกับหลวงพ่อมันนานแนละ้วแต่หลวงพ่อยังไม่ปวดู่ที่สาราลงชินนี่เริ่มเกรงนะกลัวจะเล่าประวัติ <laughs> จูนเป็นไง แล้วที่เห็นเห็นไหมเราไม่อยากจงใจแต่จิตมันจะจงใจถ้าจิตมันไม่ใช่เราอะคุณที่มีผ้าขาวเป็นไงเคยมาไหมรู้เรื่องอยัง <Okay. S 1> ที่จริงง่ายๆนะเช่นเราได้ยินนกร้องเพราะใจเราชอบรู้ว่าชอบนกตัวนี้ร้องน่าเกลียดยฟังแล้วลาคาน ร, รู้ว่าลาคาญ คือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เนี่ยให้มันกระทบปกตินั่นแหละแต่พอมันกระทบอารมณ์แล้วจิตเรายินดียินร้ายขึ้นมาเราก็าคอยรู้ทันเะช่นความสุขเกิดขึ้นเรายินดีเราก็รู้ทันแะล้สพอความยินดีก็หายไปเราก็รู้ความสุขด้วยความเป็นกลางเราจะเห็นได้ความสุขอยู่ชั่วคราวก็หายไปพอความทุกข์เกิดขึ้นมาใจเราไม่ชอบมันเห็นความยินร้ายที่เกิดขึ้นความยินร้ายนี่ดับไปใจเป็นกลางกับความทุกข์แล้วความทุกข์ก็หายไป ในสุดปัญญามันจะเกิดความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวพอความสุขเกิดขึ้นนะใจก็ไม่ดิ้นรนที่จะไปรักษาไปหวงแหนรู้ว่ามันชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นใจก็ไม่เกลียดมันรู้ว่ามันชั่วคราวในสุดไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะใจก็อยู่เป็นปกติใจเป็นกลางกับทุกทุกสภาวะเมื่อใจเป็นกลางกับทุกสภาวะใจก็จะเลิ่มดินน้นรนเมื่อใจเลิ่มดิ้นรนเนื้อใจก็จะใกล้กับมรรคนิพพานะ อ น, นิพานเป็นความไม่ปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารอนิพานเป็นความไม่มีความอยากเรียกว่าวิราคะถ้าเราดูไฟนะดูกายดูใจจนใจเป็นกลางไม่มีทางอื่นนะนี่ทางรัดที่สุดแล้วส่วนทางอ้อมอ้อมมีอ้อมหลายแบบอ้อมตั้งแต่ดิ้นรนจะทาอย่างง้นจะทาอย่างนี้ทาเกินจากการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงกันและเรียกว่าอ้อมไปหมดละหรือจะไปรู้ของอื่นนะรู้สุญญาตา วั น, นี้ไม่คนมาเล่าแทบทุกวันรู้สุญนจตาเนี่ยไปเรียนไปจากไหนวะแต่และที่แต่และที่ไม่เหมือนกั น, น, นเรแล<ะ>้วก็เร ม, มีผู้สอ น, นเป็นผู้รู้ที่จริงทางสายที่ทเดิมกเรมีเยอะเรื่อยรอครับตัสอนครับรก็คาดแล้วเราตั้งหลักให้ดีนะต้องรู้กายต้องรู้ใจนะ พูะพุทเจ้าสอนให้รู้ทุกข์อย่าไปรู้อย่างอื่นแล้วท่านก็สอนบอกให้รู้ทุกข์ตามความเป็นจริงด้วยอย่าไปดัดแปลงมันรู้ไปเรื่อยรู้ไปจนใจมันแจ้งกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนกายใจเป็นรูปนามกายใจเป็นทุกข์เนี่ยพวกเราไม่เห็นอย่างที่ท่านสอนในห้องนี้มีใครเห็นว่ากายเป็นทุกข์บ้างไม่มีหรอกนะเราจะเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้าง รู้สึกไหมร่างกายนี้ทุกบ้างสุกบ้างจิตใจนี้ทุกบ้างสุกบ้างพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านสอนบอกกายกใจขันห้าเป็นตัวทุกข์ท่านไม่ได้บอกว่าทุกบ้างสุกบ้างนั่นการที่เราเห็นทุกบ้างสุขบ้างยังเห็นไม่ตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนวิธีที่จะเห็นให้ตรงตามที่ท่านสอนจะเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆแล้วก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นได้่รู้ลงไปเรื่อยๆอย่างเรานั่งอยู่แล้วก็คอยรู้สึกตัว เราจะเห็นเลยไอ้ร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลานั่งอยู่เดี๋ยวก็เมื่อยเมื่อยเราก็เปลี่ยนอยิริยาบถแก้เมื่อยเปลี่ยนไปแล้วก็เมื่อยอีกเมื่อยก็เปลี่ยนอีกในสุดเราก็จะเห็นเลยร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาเลยทุกๆอิริยาบถมีแต่ทุกข์ล้วนๆนอนอยู่อย่างต้องนอนพลิกไปพลิกมาคืนหนึ่งพลิกตั้งหลายครั้งเพรามันเมื่อยมันทุกข์ หรือเราหัดหายใจเข้าหายใจออกเราก็จะเห็นเลยหายใจแล้วก็ทุกนะหายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกหายใจออกอย่างเดียวก็ทุกไม่หายใจก็ทุกแล้วมีแต่ทุกล้วนๆเลยเนี่ยเห็นลงไปสุดก็เห็นความจริงกายนี้มีแต่ทุกล้วนๆไม่ใช่ทุกบ้างสุกบ้างเนี่ยเรี้ยงเห็นตรงที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าเรายังเห็นว่าทุกบ้างสุกบ้างนะเราก็จะรักสุขเกลียดทุกข์รักดีเกลียดชั่วอยากอย่างโน้นอยากอย่างนี้ไม่อยากอย่างโน้นไม่อยากอย่างนี้ใจจะดิ้นรนไม่เลิก แต่ถ้าเราเห็นว่ามันทุกร่วนร่วนเนี่ยท่านบอกว่าเมื่อเห็นตามความเป็นจริงก็เลยเบื่อหน่ายรู้สึกไม่เห็นมีสาระเลยเมเื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดคลายความยึดถือไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือ ใ, ใจให้เห็นแล้วของไม่เที่ยงของเป็นทุกข์ของบังคับไม่ได้เมื่อไม่ยึดถือก็หลุดพ้นจะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายพระเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นทางหลุดพ้นมีทางเดียวอันนี้ไม่ใช่อยู่ๆก็จงใจไปจับว่างๆอะไรไป รู้ลงที่กายจะเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆกายนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขบ้างทุกข์บ้างถ้าดูจิตจะเห็นความไม่เที่ยงจิตเราเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยววิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูหรือวิ่งไปทางใจมีแต่ความไม่เที่ยงแล้วเราก็บังคับมันไม่ได้สั่งให้มันสุขอย่างเดียวก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้มันทุกข์ก็ไม่ได้ สั่งให้เป็นกุศลก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้เกิดอกุศลก็ไม่ได้อกุศลเกิดแล้วสั่งให้หายไปก็ไม่ได้อย่างความโกรธเกิดขึ้นหายไปซะหายไปซะยิ่งไม่หายเรียนไปเจนเห็นเลยเราบังคับเขาไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงแล้วมันจะเบื่อหน่ายรู้สึกเลยกลายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยมีแต่ของแปรปรวนของบังคับไม่ได้ของที่เป็นทุกข์เสียดแทนเราทั้งวันเรเห็นอย่างนี้เบื่อหน่ายก็คลายความยึดถือ คลายความยึดถือกายยึดถือใจก็หลุดพ้นพระอรหันต์คือท่านผู้รู้ความจริงของกายของใจจนหมดความยึดถือกายยึดถือใจพระอรหันต์ไม่ใช่คนที่บังคับกายบังคับใจให้ดีถาวรให้สุขถาวรคนละเรื่องกันเลยมันทําให้ถาวรไม่ได้เพราะของไม่เที่ยงมันทําให้สุขไม่ได้เพราะมันเป็นทุกข์มันทําอย่างใจไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาบังคับมันไม่ได้อย่าไปฝืนธรรมชาตินะ เพราะงั้นคอยรู้กายรู้ใจจนเห็นความจริงของกายของใจมันจะเบื่อหน่ายมันจะคลายกำหนัดมันจะหลุดพ้นแล้วมันพ้นทุกข์ของมันเองเนี่ทางเดินที่พระพุทธเจ้าสอนนะชัดเจนมากเลยแจ่มแจ้งนะพวกเราบางทีขี้เกียจอยากได้ทางลัดบางคนนะมาฟังหลวงพ่อไม่ปฏิบัติมาตั้งใจฟังหวังว่าหลวงพ่อจะพูดประโยคอะไรแล้วปิ้งขึ้นมาบรรลุเลยเี่ยเรียกอยากได้วัดทองไม่ได้เรื่องหรอกเนะ ไม่เมยก็อย่าไปฟังเอาอย่างนั้นเนาะไม่ฟังอาวักทองอะไม่มีหรอกธรรมะสำหรับคนขี้เกียจมีแต่ธรรมะของคนขยันขยันรู้กายขยันรู้ใจไปรู้จนเห็นความจริงว่ามันเป็นใจรักนั่นเองอเห็นความจริงว่ามันเป็นใจรักมันจะคลายความยึดถือไปเองแล้วมันพ้นทุกข์เพราะมันคลายความยึดถือเช่นร่างกายมันจะตายคนทั่วๆไปก็รู้สึกว่าตัวเราจะตายแล้วตัวดีจะตายแล้ว คนที่เคยปฏิบัติจะเห็นว่าตัวทุกข์มันใกล้จะตายแล้วตายสซะได้ก็ดีเห็นจะเดือดร้อนเลยเพราะมันไม่ใช่ตัวดีตายมันตัวทุกข์จะตายจิตใจมันจะสงบไม่ดิ้นรนไม่ทุรนทุรายอ่ะสี่คนสามคนทางโน้นส่งกันบ้านเสื้อแดง ม, มาหลายทีละเออดีที่เห็นนะสิ่งที่ผิดมีส อ, องงานหนึ่งไม่เผลอไปก็วังคําไว้มีสองงานเท <c oughs> ่านะั้น เราเรียนรู้จักสิ่งที่ผิดสองทางนี้สุดต่งสองด้านแล้วก็ปฏิบัติของเราได้ละคุณผู้หญิงเราเคยมาไหมเรารู้เรื่องบ้างไห ม, มจริงจริงง่ายนะอย่าคิดเยอะคิดคิดมากยากนานโน่อนอน่ะดมถัดไปโน่ น, น, นฮะแปลว่าไหลเรื่อยๆเร ด, ด, ดูไปเรื่อยๆดีละ กิเลสเกิดบ่อยไหมดีละนะหลวงพ่อดีใจด้วยถ้าเราเห็นกิเลสเกิดเรื่อยๆแสดงว่าเราขยันดูลลถ้าเราบอกวันหนึ่งกิเลสไม่เคยเกิดเลย แ, แสดงว่าดูไม่เป็นกิเลสเกิดทั้งวันนะนะหนุ่มเสื้อเขียวเนี่ยใหม่ๆเป็นอย่างนั้นนะที่ยังดีที่เห็นต่อไปไมันจะเห็นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นขยันดูนะไม่ขี้เกียจ ชีวิตคนเรานะความทุกข์มันจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้เลยประมาทไม่ได้เราต้องเตรียมเรียนรู้กายรู้ใจไว้คล้ายๆสร้างภูมิต้านทานไว้ก่อนะเวลาชีวิตเรามีปัญหาเราสู้ได้ค่อยๆรู้ไปนะขยันดูนะอย่าขี้เกียจนะอะว่าไงเบือรู้หมดเลยที่ <c oughs> จริงไม่ต้องถามก็ได้นะดูไป ก่เลดเกิดดูออกไหมเวลากิเลดเกิดดีละรู้ไปเรื่อยรู้สึกไหมใจมันโปร่มมันเบามากขึ้นมากขึ้นนะคือปฏิบัติเนี่ยถ้าทำถูกเนี่ยมีความสุขเดี๋ยวนี้เลยมีความสุขไปตามลำดับลาดับเข้าใจเราไปแบกภาระน้อยลงน้อยลงคล้ายๆเคยแบกของร้อยกิโลนะเอาออกสั่หนึ่งกิโลก็มีความสุขแล้ว ออกไปสองกิโลก็สุกมากขึ้นไปแต่ถ้าวันไหนเพิ่มเข้ามาหนึ่งกิโลจะรู้สึกหนักเลยเดิมแบกไม่เต็มที่เต็มที่กัดเลยนะไม่เห็นทุกข์หอกแบกจนฉินอย่างคนไหนรับจ้างแบกข้าวสารข้าวสารแต่ก่อนกรสอบละร้อยโลเดี๋ยวนี้เหลือห้าสิบโลร้อยโลนี่แบกกันแบบถ้าพลาดคลั่งล้มลงไปนี่กระดูกกระเดี่ยวหักเลยถ้าวันไหนเขาแบกกระสอบละห้าสิบโลเขารู้สึกว่าเบา แต่ถ้าแบกห0สิบโลจนชินแล้วไปแบกร้อยโลนะรู้สึกหนักใจเราเหมือนกันนะคอยรู้คอยดูไปมันจะเบาเบาาไปวันไหนที่กิเลสแรงแรง่านเข้ามามจะรู้สึกหนักคอยดูไปจนมันหมดภาระหมดการแบกสิ่งที่เราแบกอยู่พุทธเจ้าเฉลยให้คืออะไรอ้ตอบถู ก, ถกคุณพ่อสอนมาดีมันเรามแบกขันทั้ง5านะั่นแหละเป็นภาระ ถ้าเราใครรู้ใครดูนะค่อยๆวางวางวางยเบาถ้าวางได้ไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกก็หมดภาระสบายอาคุณผู้ชายนี้มาหลายคนละออนถูกต้องละรู้สึกไหมใจมันตื่นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยหลวงพ่อพูดคาว่า ต, ตื่นตื่นนะคนมาใหม่จึงงงงงอะไรมันตื่นมันตื่นเต้นหรือมันตื่ น, ตนตเตลิดอะไรยเงี้ย ไม่ใช่นะมันเป็นภาวะแห่งความรู้สึกตื่นจริงๆค่อยๆฟังค่อยๆเรียนใจมันจะตื่นขึ้นตื่นขึน้นจะรู้ตัวขึ้นมาจะรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานอของโยมเป็นไงโยมผู้ชายเนี่ยการพูดเนี่ยรู้สันแต่ว่าถรสว่ารู้สับเซว่าบูมบาอว่าไม่คุ้มเสกต่อก็จใช่ จรนี่มันมีนการซ้อมเดีย๋ยวเราเดินจงกรมไปซ้อมไหมเดินจงกรมพอใจลอยแวบรู้ทันไม่ใจลอยเอเดินไปแล้วไปเพ่งกายรู้ว่าเพ่งกายเดินไปแล้วจิตใจมีปีติมีสุขรู้ว่ามีปิติมีสุขเดินไปเรื่อยๆนะเป็นการซ้อมดูใจเราเองเพะฉะนั้นเดินบ่อยๆเป็นการฝึกเพอเราฝึกแล้วจกนกระทั่งเรารู้ทันจิตเราว่องวแลนะ้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้นะเราก็อยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ย เดี๋ยวจิตเราก็หนีไปคิดเดี๋ยวจิตเราก็หนีไปเพ่งเราเคยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดหนีไปเพ่งนะสติก็เกิดขึ้นมาอาศัยการเดินจงกรมนั่นแหละเป็นตัวช่วยดีแล้วล่ะเดินไว้คุณที่มีครอบครวัวทองแดงเนี่ยสบายขึ้นยังก็ เ, เฉยๆเลยเหรออุเบกขาลูกเดียว อันดีแล้วบางคนเห็นทุกข์นะเมื่อวานเนี่ยมีสองคนสมพอยู่้ยที่คนหนึ่งมันถามบอกเห้ยผมปฏิบัติไม่เห็นทุกข์เลยมีแต่สุขร้อนร้นเลยทันทีที่มีสติก็มีความสุขทันทีที่มีสติก็มีความสุข <c oughs> ก็บอกก็ถูกเหมือนกันอีกคนหนึ่งบอกหนูไม่เห็นสุขเลยมีแต่ทุกข์ร้วนร้อนเลยดูทีไรทุกข์ร้วนร้นเลยแลก็ถูกอีกแหละ <c oughs> ฟังเหมือนหลวงพ่อพูดเล่นนะยิงถูกจริงๆนะ สมัยพุทธกาลมีพระอรหันต์องค์หนึ่งเดินอยู่ในวัดก็โ อ, อ้สุขจริงเนอสุขจริงเนอะพระไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าองค์นี้ยคงคิดถึงความสุขอยากจะสึกแล้วพวยเจ้าเรียกมาสอบสวนเขาบอกไม่ใช่แต่เดินท่านเป็นพระราชาไปไหนท่านก็เครียดกลัวคนดักฆ่าเลยเดี๋ยวนี้ออกมาบวชนะสบายไม่มีอะไรสักอย่างนะมีความสุขโปร่งเบานี่ท่านแบบจิตพระอรหันต์อย่างนี้ อีกองหนึ่งเดินไปทุกหนอทุกจริงหนอพระก็ไปฟ้องพุทธเจ้าอยูนะพระแต่ก่อนชี้ฟ้องนะนะสังเกตถ้าไตจี่ดกอะจะมีคนไปฟ้องบ่อยๆนะไปฟ้องพุทธเจ้าว่าองค์เนี้ยเดินไปก็ทุกจริเนอทุกจริงหน อ, งหนอสงสัยจะอยากสึกแล้วพุทนเะจ้าก็เรียกมาถามท่านบอกท่านท่านน่ยไม่ทุกแล้วตอนนี้ท่านคิดถึงสมัยเป็นคารวานะนั้วมันทุกทั้งนั้นเลยนะดีใจพ้นมันมาได้แล้ว นี่พวกเรายัางไม่ได้เป็นพระอรหันต์ทันทีที่เรามีสติรู้สึกตัวขึ้นมาเราจะรู้สึกมีความสุขแต่พอเรามีความสุขนะั้นเราก็รู้กายรู้ใจไปเรื่อยแล้วก็เห็นกายกับใจนี่ทุกข์ล้วนๆเลยไม่เห็นมันจะสุขตรงไหนเลยยั้นบางคนถ้าไปมองที่กายที่ใจก็จะบอกโอ้เว้นทุกข์ล้วนๆเลยแต่บางคนไหนมีมองที่ความมีสติตรงที่มีสติขึจะรู้สึกมีความสุขมากกว่าเก่าทั้งเยอะเลยแต่เก่านี้มีทุกข์เยอะเดี๋ยวนี้รู้ตัวบ่อยๆแล้วเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์หรอ แต่ใจไม่ค่อยจะทุกข์เขาบอกมีความสุขมันมองคนละมุมทุกทั้งคู่เรืองธรรมะพูดยากนะภาษามนุษย์เนี่ยไม่ค่อยสื่อธรรมะหรอกมีใครยังไม่ส่งกันบ้านอีกอ่ะคนนี้เป็นไงเออก็ยังดีนะ ใจค่อยค่ตื่นแล้วรู้สึกไหมเห็นไหมซีดีหลวงพ่อนะฟังไว้เยอะๆนะตื่นรับรองหาคนฟังซีดีของหลวงพ่อแล้วหลับนี่หายากยังไม่เคยได้ยินใครมารายงานแล้วฟังแล้วหลับฟังไปเรื่อยเรื่อยรู้สึกไหมมันเกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วมันก็ค่อยค่อยเห็นของเราเองดีแล้วฟังเยอะๆนะฟังไปไม่ต้องมาเรียนก็ได้นะฟังไปเรื่อยเืยแล้วก็สังเกต สังเกตหมายถึงคนทั่วๆไปเนี่ยบางคนเขาไม่ได้มาเรียนเลยเขาฟังแล้วก็คอยสังเกตสังเกตไปเรื่อยนะเขาก็ตื่นขึ้นมาได้อ่านว่าไงอ่านอืได้ยินเสียงผู้หญิงน้ํันันเลยเห็นไหมเป็นไงอ่น ใช่สิเวลามีความสุขมันเผลอเพลินดูไห <c oughs> พวกเทวดาเลยฝึกยากเ <c oughs> ลยเพราะขี้เกียจมีความสุขเยอะก็เผลอเพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งแต่พอมีความทุกข์แล้วก็อยากจะดูแต่ดูไม่ค่อยจะไหว <c oughs> พวกที่ตกนรกแล้วเลยภาวนาไม่ไหวมันทุกข์เยอะเกินไป <c oughs> เพราอนนหลวงพ่อถึงเตือนอันบ่อยๆตอนที่ยังไม่ทุกข์อ่ะขยันดูไว้ตอนที่เป็นมนุษย์ปกติยังไม่ขึ้นสวรรค์ยังไม่ตกนรกนั่นแหละดูดีที่สุดดูบ่อยๆนะ เ ว, เวลามันตกนรกขึ้นมามันจะได้ดูของเราได้เวลาความทุกข์มันเข้ามารุนแรงเราได้ดูได้แต่พอมีความสุขเราเพลินไปนะเราขี้เกียจ ด, ดูอย่าขี้เกียจนะไม่ดีอา้าวป้าลวยพูดหน่อยอยากพูดมานานละป้ารวยอ่ะมันเสียที้มันมีความสุขได้ไวมากเด็กค่ะ อ๋อเห็นหลวงพ่อเป็นพวกเห็นหลวงพ่อเป็นพวกทอลโชว์ <c oughs> แทนที่จะเห็นจิตตัวเองแล้วมีความสุขเนะ <c oughs> เดี๋ยวเก็บค้าฟังเลยเยอะอ้าโยมเป็นไงลูกชายภาวนาดีสัด อ, อดีนะ ไม่มีทางหรอกอเราจะไปบังคับให้เลิกคิดไม่ได้เพราะจิตมีธรรมชาติรู้สึกนึกคิดจะไปสั่งจิตให้เลิกคิดไม่ได้นะเราไม่ได้ฝึกจิตจกนกระทั่งหมดความรู้สึกนึกคิดเราไม่ได้ฝึกเพื่อให้ตัวเองกลายเป็นต้นไม้และก้อนหิ น, น, หนหพอเราได้ว่าเท่าไหร่เราจะเลิกคิดอีอสะใจ <laughs> ดูเอานะดูเอาเดี๋ยวเขาไม่ยอมให้ว่าเขาสู้เอานะมันหลังไม่อย่าบังคับนะทีแรกก็ดีดีกันแหละใช้ได้หละต้องมาต้องเป็นไเพราะว่าบา ง, งทีนนทนนทนงเนี่ย้ที่โคสิเนี่ยสำคัญมากขึ้นอะไรนะคือตอนนี้เริ่มามากที่เราไม่วนรวน ต, นตาคนอาจจะมีผลมากในการิขนและใช่ใช่ อินซียสังวรธรรมะ ท, ที่ปฏิบัติแล้วไม่มีทางผิดมีสามข้ออินซียสังวรโภชเนมตันุตตาชาคริยานุโยครู้ประมาณในการกินทำความตื่นเนืองเนืองยิ่ ง, งตื่นเยอยิ่งดีสำรวมอินซีก็ดีไม่พลาดทำที่ทำให้ไม่พลาดมีสามอันดีแน่แน เป็นไงแท่งแตงโมไม่เข้าใจตที่แทงเขาทะเลาะกับใครคือแท่งคอย่า่านึงเป็นาะไรกันแท่งอะไรชื่อคนเหรออ๋อคือีดูข่าวาหนึงที่น่าสนใจแต่ว่าอกว่าอ๋อหลวงพ่อหลวงพ่อไม่รู้แท่งแตงโมอเลยไม่รู้จัก ยังอยู่วัดหลวงพอนะไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะรทีคนใหญ่คนโตมาวัดนี้เสมอภาพกันหมดอนะ่ะเขาไม่รู้จักหรอก <c oughs> ดังมา่างไหนก็ไม่รู้จักหรอกคือตรงเนี้ยครันี้มันทำให้คนเราเนี่ยมันเวลาใส่ทาตาทางหูเนี่ยไม่ค่ อ, รอายรัเนะเพือยาจะสัญญาทีุ่ดขึ้นกนตอดเใช่แนละ้วมันก็เก็บเป็นอนุสัยด้วยเลิกดูไปแล้วก็ยังคิดถึงภาพแต่งโมอีกใช่ไห ไม่รู้จักผู้หญิงข้างหลังสองสามคนข้างหลังนู้นมาจากไหนกันเคยฝึกมาแบบไหนเหรอหลวงพ่ออะไรล่ะเหรอ แล้วไปเรียนมาจากไหนล่ะอมื <c oughs> รู้สึกไหมมันมันตื่นมากขึ้นมากขึ้น <c oughs> ดีแล้วล่ะทําถูกต้องเห็นไหมไม่ต้องเจอหลวงพ่อนะไปอ่านอ่านฟังฟัง้วนะก็ใช้ได้นะแต่ก็มีบางคนอ่านฟังมาแล้วก็ผิดก็มีอ่านอ่านแล้วก็คิดใหญ่เลยไบบวิเคราะห์ใหญ่ใช้แบบนักปรัชญาลืมไปว่าพระพุทธเจ้าห้ามใช้ตักกะคิดใหญ่ใช้เหตุใช้ผล ไม่ต้องใช้เหตุใช่ผลฟังซีดีหลวงพ่อนะฟังแล้วก็สังเกตใจเราไปเรื่อยๆนะไม่ต้องฟังให้รู้เรื่องหรอกฟังแล้วก็คอยสังเกตใจเราไปจะเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่ยเดี๋ยวเราก็เข้าใจด้วยตัวเองนะไม่มีใครสอนธรรมะใครได้นะจิตของเราหรือกายของเรานี่แหละถึงจะเป็นครูสอนธรรมะเราได้เผลอไปแล้วรู้ไหมดีตอนที่นั่งนั่นหละเพื่อนชวนมาหรือหรือเขาหลอกมา แล้วเอาซีดีหลวงพ่อไปฟังบ้างนะฟัง บ, บ่อยๆใจของเราแต่ละคนเนี่ยมันชอบหนีไปคิดรู้สึกไหมเราจะคิดทั้งวันรู้สึกไหมรู้สึกไหมว่าเราชอบใจลอยเ อ, อใจลอยเนี่ยภาษาพระแปลว่าขาดสตินะคนในโลกนี้ใจลอยทั้งวันแหละทุกคนนะไม่เฉพาะโยมหรอกนะหลวงพ่อไม่ได้ว่าคนใดคนหนึ่งในโลกนี้เราใจลอยทั้งวัน เดี๋ยวเราก็หนีไปคิดแวบไปเรารู้เรื่องที่เราคิดบ้างไม่รู้บ้างถึงเราจะรู้เรื่องที่เราคิดนะเราก็ลืมกายลืมใจตัวเองเรียกว่าขาดสติเหมือนกันเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมเป็นเฟ้อไปอีกแล้วนะอาคนที่เป็นน้องก็นั่งคิดใหญ่แล้วรู้สึกไหมให้รู้ทันตัวเองลงไปลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนะรู้ไปมีใครอีกที่หลบหลบหีกีกอยู่เอาหนุ่มเสื้อแดง ใส่แว่นตาเนี่ยเออเป็นไงบ้างพอรู้เรื่องไหมไม่ต้องเกรงใจหลวงพ่อนะไม่รู้เรื่องไม่บ้าเลยหลวงพ่อพูดเองยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยใจหนีไปคิดแล้วทราบไหมใจลอยไปล่ะเวลาเราใจลอยนะเราจะไปคิดเราไปคิดเนี่ยบางครั้งเราก็รู้เรื่องที่คิดบางครั้งก็ไม่รู้เรื่องที่คิด แต่สังเกตให้ดีเถอะตอนที่เรารู้เรื่องที่เราคิดเนี่ยเราจะลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อไรลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อนั้นไม่ได้ทำวิปัสนาเพราะวิปัสนาเนี่ยคือการคอยรู้กา ย, ย, ยรู้ใจตัวเองรู้ไปเรื่อยรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเห็นความจริงของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงหรอกมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราแล้วมันจะปล่อยใจมันปล่อยวางแล้วมันมีความสุข นี่เป็นวิธีพ้นทุกข์อย่างศาสนาพุทธนะไม่คอยรู้กายคอยรู้ใจบ่อยๆแต่ถ้าเราใจลอยเราไปคิดเอารู้แต่เรื่องที่คิดเราก็ไม่รู้กายรู้ใจอย่างตอนเนี้หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมเดี๋ยวใจลอยแวบหนึ่งแล้วทราบไหมยังงงๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาซีดีไปฟังนะฟังบ่อยๆแล้วก็สังเกตของจริงฟังไปสังเกตของจริงในใจเราไป บางคนนึกว่าหลวงพ่อปฏิหาริย์รู้ว่ารัจิตไม่ได้รู้นะอย่างชี้ไปบอกเผลอเนี่ยไม่ต้องรู้ว่ารัจิตเราเผลอร้อยเปอร์ซนชี้ตรงไหนก็เผลอตรงนั้นแหละนะสำคัญอย่าเลิก ได้คือสมาธิเนี่ยก็ควรทํามีประโยชน์ฝึกให้จิตตั้งมัน่นแต่ที่หลวงพ่อบอกสมาธิบางอย่างไม่ดีที่บางคนทำแล้วไม่ดีเนะี่ยมันไม่ใช่สัมมาสมาธินั่งแล้วเคลิม้มงอแงงอกแ ง, กกแงกหรือนั่มแล้วซึมลงไปนิง่งไปแช่ซึมซื่อบื้ออยู่ข้างในอเยอย่างงั้นไม่ดีสมาธิอย่างนี้หลอกที่ห้ามสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิแนละมีสติกํากับอยู่ตลอดเนี่ยใช้ได้ควรทํา ถูกต้องแหละแต่ไม่ใช่นั่งแล้วได้ยินเสียงนกเขารู้่ารู้ว่านกเขาร้องรู้ว่านกเขาร้องอย่างนี้ไม่ได้นะเออนั่งนั่งไปตอนแรก็คุ้นๆเหอนรู้ว่าใจผิดเปล่าแบอกว่าเวลานั่งสมาธิให้ดูตัวเนี่ยค่ะตอนแรกก็ดูลมหายใจเออดูลมหายใจดูกายไป รู้สึกไหมใจเราเนี้ยเดี๋ยวมันก็ไปรู้ทางโ น, น้นเดี๋ยวก็ไปรู้ทางนี้นะจิตใจไม่คงที่หรอกเคลื่อนไหวนี่เราไม่ได้ทําสมาธิละตรงนี้ตรงนี้เราจเจริญปัญญาละก็ถูกก็ใช้ได้นะพระพุทธเจ้าสอนนะธรรมะที่ควรจเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทาาาําสมถะ แต่จริงว่าพวกเรานักทำสมถารุ่นหลังเนะี่ยมันทแต่มิจฉาสมาธิทำแล้วเคลือบเคลิม้มลืมเนื้อลืมตัวทิ้งเนื้อทิ้งตัวนั่งแล้วก็งอกแงกงอกแงอ ก, ง อ, กอย่างนั้นไม่ดีส่วนสมาธิการสำรวมให้จิตใจได้สงบให้จิตใจได้พักผ่อนเป็นเรื่องดีนะมีประโยชน์แล้วก็จําเป็นสำหรับบางคนที่จะรู้กคย เออให้รู้ไปเสร็จแล้วมันก็ไม่นิ่งมันไปเพ่งเข้าไม่ใจอ่ะใจมันเข้าไปเกาะนิ่งๆอยู่ให้รู้ลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอย่าลงไปนอนแช่อย่าให้จิตลงไปแช่นิ่งๆอยู่กับอารมณ์อันใดหนึ่งนานๆนะเดี๋ยวเคยตัวขี้เกียจแสดงว่าเห็นเห็นหน้านหมายถึงอะไรมองอยู่อย่างนี้แล้วหายแวบหรือไง หรือเห็นอยู่ในใจอย่างนั้นเห็นถูกต้องแล้วอาถูกต้องแล้วนะรูปมันเกิดดับให้ดูแล้วทําไมมันเกิดดับรูปเนี้ยความจริงหน้าเขาก็ยังอยู่เป็นจิตของเราที่ไปรู้รูปนะมันเกิดดับจิตที่ไปมองรูปนะมองรูปเนี่ยเห็นได้หนึ่งขนาดจิตเองแล้วก็ดับวับเราจะต้องดูใหม่ถึงจะเห็นใหม่ ถ้าดูได้อย่างนี้คุณจะเห็นแล้วว่าเวลาเรามองหน้าใครสักคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกไหมเราต้องมองหลายครั้งกว่าจะเห็นหน้าหนึ่งมองได้ทีละจุดเล็กๆ เ, เดี๋ยวมองตาซ้ายมองตาขวาเนี่ยรูปมันดับให้ดูแล้วมันมีความเกิดดับให้ดูแล้แวก็ดด ใ, หให้รู้ไปให้รู้ไปนะถ้ามันเกิดสงสัยว่าทําไมสัน ร, รู้ว่าสงสัยถ้ามันกลัวรู้ว่ากลัวไปเลยนะให้รู้ที่ใจเราไม่ต้องไปรู้ที่อื่น เออแล้วี่คือาด้วยจิตที่มาเนีมีมา ม, มสุขเออกนะ็ดีแล้วล่ะฝึกไปนะดีแล้วมันจะเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ช่างมันเออ <c oughs> เพราะว่าใจเราไม่ไปยึดถือ <c oughs> โลกนี้ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนนะเราเห็นโลกครูบาอาจารย์ท่านใช้คํานี้นะวัดเปล่าบางทีท่านใช้โลกราบเป็นหน้ากลองเห็น <c oughs> มันราบเสบอกันไปหมดเลย เพราะอะไรพระใจเราไม่เข้าไปสำคัญมั่นหมายดีแล้วที่ฝึกอยู่ดีนะให้ได้เลยลเออฝึกแปลเออไม่ต้องไปทำอะไรแปงแฝงขึ้นมานะรู้ไปธรรมดาอย่างนั้นแหละดีที่สุดธรรมดาที่สุดดีที่สุดเห็นไหมเราเห็นรูปเกิดดับเห็นโลกว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนเห็นถูกต้องละแล้วมาส่งกันบ้านนะแล้วแล้วมาที่นี่มารายงานผลการปฏิบัติ ถ้ามีโอกาสอ่ะมาส่งกันบ้านให้หลวงพ่อตรวจกันบ้านภ <c oughs> าวนาได้ดีอย่าขี้เกียจนะแล้วก็อย่าขยันเกินไปน <c oughs> ไม่ใช่ว่าพอหลวงพ่อชมแล้วกลับบ้านฟิด จ, จัดเลยสาดิเล่เลยนะอย่าเครียดเลยคราวนี้หนักๆไปหมดเลย <c oughs> ถ้าปฏิบัติแล้วหนักแสดงว่าทําผิดคุณภาวนาได้ดีนะอย่างเห็นรูปมันเกิดดับเนี่ยเห็นหน้าไม้เงี้ยหน้าไม้เกิดดับะอ หรือมองโลกกระทัดนะมองกระทั่งตัวเองก็ว่างเปล่าไม่มีตัวมีตนอะไรนะได้เห็นถูกต้องแล้วฝึกถูกต้องมันก็เห็นถูกต้องนั่นแหละถ้าไปทําอะไรแผงแผงขึ้นมานะไปบังคับมนันยงว่อนอานี้ก็ไม่รู้ไม่เห็นของจริงหรอกได้แต่นิมิตทั้งหลายเพื่อที่คุณเล่ามานะมีคนแถวหน้านี่กลัวแล้วนะ